เรื่องเล่าผีหลอนตอนเสียงข้างห้องเรื่องราวก็มีอยู่ว่าแนนเธอเป็นสาวออฟฟิศในตำแหน่งระดับสูงทำงานแถวประเวศเลยหาที่พักแถวนั้นบังเอิญมีห้องว่างพอดีลักษณะห้องกว้างขวางตรงกับที่ต้องการแนนตอบตกลงย้ายเข้ามาอยู่ อาทิตย์แรกผ่านไปทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาพอเข้าสู่อาทิตย์ที่สองคืนนั้นแนนเลิกงานดึกมากกลับถึงห้องเกือบตีสองขณะที่กำลังไขกุญแจห้องอยู่นั้นแนนก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแนนเข้าใจว่าน่าจะเป็นคู่สามีภรรยาเพราะได้ยินเสียงทั้งผู้ชายและผู้หญิง คิดในใจอยู่เลยว่าอุตสาหาห้องแพงๆเพื่อ น, นี้ปัญหาข้างห้องเป็นมลพิษแล้วยังมาเจอแบบนี้อีกหรือพอเข้าห้องเสียงที่ทะเลาะ ก, กันยิ่งดังมากขึ้นจนอยากจะไปเคาะเตือนแต่อีกใจก็คิดว่าเพิ่งจะมาอยู่ใหม่ไม่อยากสร้างศัตรูจากนั้นแนนก็อาบน้ำ แล้วก็นอนฟังเสียงข้างห้องทะเลาะกันจนหลับไปเช้าตรู่วันต่อมาแนานก็รีบแต่งตัวเพื่อจะไปทำงานแนนออกจากห้องมาจังหวะเดียวกันกับที่ห้องตรงข้ามเปิดประตูเด็กสาวคนนั้นมองหน้าแนานแปลกแล้วเธอก็รีบจ้ำอ้าวเดินไปเลยวันนี้แนนทำงานแบบไม่มีสมาธิเพราะรู้สึกง่วงมาก จึงของกลับมาพักผ่อนพอมาถึงห้องก็อาบน้ำแล้วทิ้งตัวลงนอนเลยหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่มาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงคนทะเลาะกันอีกแล้วแนนคิดในใจว่ามันจะทะเลาะอะไรกันนักกันหนาะกลางคืนยันกลางวันแนนเลยเดินออกไปส่องตรงระเบียงมองทะลุผ่านกระจกใสเข้าไปในห้อง ขณะที่กำลังเพ่งสายตาผ่านม่านอยู่แนนก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งลำตัวช่วงหน้าอกลงไปถึงขามีแต่เลือดตาเบิกโพรงราวกับได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแนนตกใจมากรีบกลับเข้ามายังห้องตัวเองพร้อมวิ่งไปที่ประตูแล้วส่องผ่านตาแมวออกไปว่ายังมีใครอยู่ไหมแต่เงียบ พร้อมเสียงคนทะเลาะกันก็เงียบไปเช่นกันแนนกดโทรศัพท์ลงไปที่เคาน์เตอร์ด้านล่างพอพนักงานรับสายแนนรีบแจ้งพนักงานว่ามีเหตุฉุกเฉินให้เรียกตำรวจและรถพยาบาลด่วนมีเหตุทำร้ายร่างกายที่ข้างห้องพนักงานถามชื่อห้องและชั้นพอแนนบอกไปพนักงานก็เงียบไปอึดใจแล้วบอกว่า ให้แนนลงมาเล่าข้างล่างแนนบอกกลัวคนร้ายจะเห็นและกลัวจะโดนทำร้ายพนักงานบอกให้รีบลงมาคนร้ายคงยังไม่ทันได้รู้ตัวหรอกนาทีนั้นแนนโมโหมากจึงวางสายไปและโทรเรียกรถพยาบาลและตำรวจด้วยตัวเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแนนก็ได้ยินเสียงรถฉุกเฉิน เธอจึงนั่งรออยู่บนห้องอย่างใจจดใจจอ่อแต่เวลาผ่านไปนานมากก็ไม่เห็นมีใครขึ้นมาสักทีแต่ผ่านไปสักพักรถฉุกเฉินทั้งหมดก็พากันกลับออกไปแนนถึงกับงงแต่ก็ยังคงไม่กล้าออกจากห้องอยู่ดีคืนนั้นแนนอยู่อย่างหวาดกลัวแต่ทุกอย่างก็เงียบสนิทแนนขมความกลัว แล้วรวบรวมความกล้าที่มีอยู่น้อยเต็มทีค่อยๆ ย, ย่องเดินไปที่ระเบียงส่องดูห้องข้างๆอีกครั้งมันเงียบกริบเหมือนไม่มีคนอยู่แนนกลับเข้ามาในตอนนั้นก็อุ่นใจนินดๆและนอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แนนก็รู้สึกสะดุ้งตัวตื่นเพราะรู้สึกว่า มีคนมาบีบคอตัวเองอยู่แนนก็พยายามดิน้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คือผู้ชายร่างใหญ่คล่อมอยู่บนตัวแนนและบีบคอเธอจนแ น, น่นแนนรู้สึกหายใจไม่ออกจึงดิ้นพร้อมสะบัดตัวเพื่อให้หลุดและแล้วก็หลุดจริงๆแนนวิ่งไปที่มุมห้องผู้ชายคนนั้นก็เดินเข้ามาหาแนนอย่างช้าๆ แนนมองไปที่ร่างนั้นและสิ่งที่เธอได้เห็นมันทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นเบื้องหน้าคือผู้ชายคนนั้นตาโปอนออกมาเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าหน้าปูดวุมลิ้นจุกปากพร้อมกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุงไปทั่วลำตัวมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองแนนกรีดร้องสุดเสียงและสลบไปในทันที มารู้สึกตัวอีกทีปรากฏว่าแนนอยู่ที่ล็อบบี้ข้างล่างแล้วรอบตัวแนนมีเด็กสาวห้องตรงข้ามและพนักงานของห้องเช่ายืนมุงอยู่และกำลังช่วยกันประถมพยาบาลเธอพอแนนกำลังจะอ้าปากเล่าสิ่งที่เธอได้เจอมาพนักงานก็บอกว่าอย่าเพิ่งพูดตอนนี้รอให้เช้าก่อนแนนจึงถามไปว่า ทำไมแนนถึงมาอยู่ที่นี่ได้เด็กสาวห้องตรงข้ามตอบว่าเธอกำลังจะไขห้องก็ได้ยินเสียงแนนครีตดดังมากด้วยความตกใจเธอจึงลงไปตามพนักงานที่เคาน์เตอร์ด้านล่างแล้วทุกคนก็ช่วยกันไขประตูห้องก็พบแนนเป็นลมนอนสลบู่กับพื้นทุกคนจึงช่วยกันรีบอุ้มแนนลงมาที่ล็อบบี้ด้านล่าง และช่วยกันประถมพยาบาลจนแนนฟื้นดังกล่าวทุกคนอยู่ที่ล็อบบี้กันจนถึงเช้าจากนั้นพนักงานจึงเล่าให้แนนฟังว่าทั้งชั้นที่แนนเช่าอยู่จริงๆแล้วมีผู้อาศัยอยู่แค่สองห้องเท่านั้นคือห้องแนนและห้องน้องตรงข้ามแนนแย้งทันควันเพราะเธอได้ยินเสียงคนทะเลาะกันข้างห้องตลอด ตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เธอย้ายเข้ามาอาศัยอยู่แล้วเด็กสาวห้องตรงข้ามจึงบอกว่าจริงค่ะพี่ทั้งฉันมีเราอยู่กันแค่สองห้องนอกนั้นเขาซื้อทิ้งไว้แต่ไม่ได้มาอยู่ส่วนหนูยังหาที่อยู่ไม่ได้ยังไม่มีที่ไปเลยต้องทนอยู่ไปก่อนแนนจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องข้างๆ พนักงานและเด็กสาวจึงตอบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ห้องข้างๆหรอกแต่ห้องที่เกิดเหตุคือห้องที่แนนอาศัยอยู่นั่นเองเรื่องมันมีอยู่ว่าก่อนหน้านี้มีชายหญิงคู่สามีภรรยามาซื้อห้องที่นี่อยู่ทางคู่มักจะมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆจนในที่สุดก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้น เขาหวังจะฆ่าภรรยาแต่ภรรยาก็หนีออกจากห้องนั้นได้และไม่กลับมาอีกส่วนสามีเขาลงมานั่งรอภรรยาที่ล็อบบี้ทุกวันเพื่อหวังว่าภรรยาจะกลับมาหาเขาแต่ก็ไม่ปรากฏว่าภรรยาจะกลับมาแต่อย่างใดเวลาผ่านไปพนักงานก็สังเกตว่าทำไม สามีไม่ลงมารอภรรยาเขาเหมือนอย่างเคยและไม่เห็นหน้าเขามาร่วมอาทิตย์แล้วประกอบกับห้องข้างๆบอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนหนูตายโชยออกมาจากห้องของเขาจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและมูลนิธิกู้ภยัยทำการงัดห้องของเขาปรากฏว่าชายคนนั้นนอนเสียชีวิตในสภาพขึ้นอืด ตำรวจสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดวันน่าจะเป็นเพราะอาการเครียดเส้นเลือดฝอยในสมองอาจจะแตกหรือหัวใจล้มเหลวกระทานหันและหลังจากที่ชายคนนั้นตายก็จะมีคนได้ยินเสียงชายหญิงทะเลาะ ก, กันหรือไม่ท น, นักกว่านั้นคือเดินผ่านห้องเลยส่วนเด็กสาวห้องตรงข้าม เธอได้ยินเสียงทุกคืนและเห็นอยู่บ่อยๆแต่เลือกที่จะทำเป็นมองไม่เห็นตอนกลางคืนเวลานอนก็ต้องใช้เสียงเพลงอุดหูไว้จนหลับเวลาตื่นก็จะรีบแต่งตัวเพื่อไปมหาวิทยาลัยให้เร็วที่สุดเวลากลับก็เช่นกันเธอจะพยายามกลับให้ถึงห้องก่อนค่ำถ้าเป็นไปได้ พอแนนได้ฟังดังนั้นจึงรีบโทรหาเพื่อนที่ทำงานทั้งที่ไม่ได้สนิทอะไรกันเพื่อไหว้วานให้มาช่วยขนย้ายห้องทันทีส่วนเด็กสาวคนนั้นก็ยังคงต้องทนอยู่ที่ห้องนั้นต่อไปจนกว่าจะหาที่พักใหม่ได้เรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผี